พูดถึงการฟังอริยสัจถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนันก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะแสดงอริยสัจพระองค์ก็จะแสดงอนุปุพิกถาก่เป็นเป็นหลักคือกล่าวเรื่องทานเรื่องศีลอันนี้สงแห่งทานศีลคือสวรรคนะ์คาว่าสวรรค์นี่รวมถึงมนุษย์ด้วยนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินั่นเอง ในเมื่อได้รับกามมาสุภติภูมิที่ดีเยี่ยมเมื่อทำบุญแล้วผลของบุญให้ให้ผลมากะนะบริบูรณ์ไปด้วยกรารมมาสุขทั้งหลายทีนี้พระ อ, องค์ก็แสดงถึงโทษภัยของกรมทั้งหลายว่ากามนี่มันมีโทษนะเมื่อผู้ที่ฟังเนี่ยเห็นโทษของกามมากจิตของเขาเนี่ อ่อนควรแก่การงานและพระองค์ก็จึงประกาศอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ก็เน้นมรรคสัจกับนิโรสัจนะเน้นประกาศมรรคสัจกับนิโรสัจะเพราะการแสดงกามาทีนบนั่นแหะก็คือการแสดงเรื่องทุกขสัจกับสมุทัยสัจโดยตรงตัวอยู่แล้วอันในบทตอนท้ายก็คือประกาศนิโรสัจะหรือมรรคสัจเป็นหลัก อนุปูพิกถ า, าเช่นพระองค์แสดงอนุปุพิกถ า, าสงเคราะห์พระเจ้าพิมพ์ิสารพร้อมกับบริษัทส1บเหุตนั้นในพระวินัยบอกว่าอนุปุพิกถ า, าแต่ถ้าที่อื่นก็บอกชัดเลยว่าพรหมนารถากสปะชาดกตอนท้ายที่เปรียบอริยมรรคประดุดรถเนี่ยนะตอนนั้นแหละที่เรียกว่าประกาศอริยสัจอันพอประกาศอริยสัจ ต, ตรงนั้นจบพระเจ้าพิมพิสารก็บรรลุ เป็นพระโสดาบันพร้อมกับบริษัท11อนหุดซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงจะได้ฟังชาดกคือชาดกนั้นการแสดงชาดกมีผลโดยเฉพาะกรรมสักตาเนี่ยดีเพราะว่าเขาจะไม่คิดชีวิตแค่ชาติเดียวใช่ไหมก็จะมองชีวิตที่เคยผ่านมาในอดีตอันยาวไกลก็จะปรารบพถึงชีวิตในอดีตว่า เหตุการณ์เช่นนี้ก็เคยมีแล้วในอดีตชาตินะก็คือสรุปว่ารวมๆก็คือทุกเหล่านั้นเหล่านั้นก็เคยมีแล้วในอดีตชาติหรือบางคนมีกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็บอกว่ากิเลสอย่างนี้เคยมีแล้วในอดีตชาติมันก็หลายๆเรื่องที่ที่เป็นอยู่ในชาตินี้ก็ถ้ากล่าวตามสำนวนชาดกก็บอกเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลาย อย่างการที่เราศึกษาพระธรรมมีศรัทธาที่จะฟังทำเป็นต้นก็แสดงว่าเรื่องเคยมีมาแล้วใช่ั้ยเคยสังสมไว้แล้วแต่ตอนนั้นสังสมยังไม่เต็มแต่ตอนนี้ก็กำลังสังสมอยู่เต็มหรือเปล่าไม่ทราบนะทาให้เต็มก็ไปสังสมต่อไปอีกอย่างนั้นซึ่งการพิจารณาอริยสัจตัวที่จะต้องเอามาพิจารณาเป็นหลักเลยก็คือพิจารณาทุกขสัจนั่นเองการพิจารณาทุกขสัจ ถึงจะแสดงใช้คําโวหารกว้างขวางขนาดใดก็ตามใช้ศัพท์พยัญชนะไม่มีประมาณเท่าใดก็ตามจุดประสงคก์ก็เพื่อจะประกาศให้เห็นความเบียดเบียนบีบคั้นของทุกว่ามันเบียดเบียนบีบคั้นนะเรียก ว, ว่าปีนรนธโธเนี่ยนะมันเร่าร้อนนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสันตาปนัตโธสันตาปณะเนะนะี่ย แล้วทุกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นเลยนของเราทั้งหลายเห็นชัดๆเลยนะอยู่ในโลกของการปรุงแต่งจริงๆตัวความคิดของเราทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นใช่ไหมวิญญาณนักขันแต่และความคิดแต่และความคิดเนี่ยปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นเลยแล้วสิ่งที่เราคิดนะเรื่องที่เราคิดถึงโดยมากเราคิดถึงแต่สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ทันตัวความคิดก็เป็นสังคตะธรรมอารมณ์ของจิตเหล่านั้นโดยมากก็เป็นสังคตะธรรมก็วนเวียนเวียนวนอยู่ในสังคตะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งแต่ก็สังคตะธรรมทั้งหลายนะจะเมื่อใดที่ไหนอย่างไรก็ตามสังคตะธรรมทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีรอกนะวิปรินามาใช่ไหมแปลไปเป็นที่สุดเคยเห็นไหมสังขารที่มันเที่ยง เสมอประดุดของเที่ยงเลยนะมีไหมที่มันดูเหมือนยั่งยืนจริงๆก็บอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบสิ่งที่พอพอจะคิดว่ามันยั่งยืนได้นะคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นะเมื่อใดเมื่อใดมันก็ดูเหมือนเดิมหมดใช่ไหมอันนี้ เ, เรียกว่าดูเหมือนของเที่ยงแต่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่เที่ยงนะแต่อันนี้ เ, เรียกว่าดูเสมือนหนึ่งของเที่ยงสมัยพุทธกาลก็มีดวงอาทิตย์สมัยนี้ก็ยังมีดวงอาทิตย์ อีกร้อยปีข้างหน้าก็มีดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ประดุจเที่ยงอันนี้อย่างหนึ่งนะสองแผ่นดินเมื่อใดเมื่อใดก็แผ่นดินแต่ว่าถ้าลงรายละเอียดจริงๆไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรหรอกแต่ว่าถ้าดูผิวเผินนะดูเหมือนแผ่นดินนี้ยั่งยืนมั่นคงอะไรดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แผ่นดินถ้าเป็นพวกเทวดาก็บอกเขาสินิรุเนี่ยนะ ที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยหมื่นโยดเนี่ยนั่นยั่งยืนเรียกว่าเสมอประดุจของเที่ยงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างหรอกเพราะทุกอย่างล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเลยถ้ายิ่งผู้ภูเขาเนี่ยนะถ้าอยู่ภูเขาจริงๆเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของของภูเขาเนี่ยบ่อยมากนะอีกช่วงก็บใบไม้เขียวสดอีกช่วงก็ ไม่ใช่แล้วใช่ไหมอีกช่วงก็แห้งแล้งอีกช่วงก็หน้าอยู่มากอีกช่วงก็ร้อนระ อ, อุไปหมดอย่างงีนะ้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันจะเห็นว่าทั้งสิ่งทั้งมวลลว้วนแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นี่เรียกว่าชาราก็ได้นันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย ทีนี้ความที่สัญญาวิปลาดกันวันนิจจสัญญาเนี่ยนะก็เลยเข้าใจว่าเหมือนเดิมซึ่งความจริงแล้วไม่มีอะไรที่มันเหมือนเดิมหรอกมันก็ในสติปัฏฐานนะเปิดดูหน้า33ากล่าวถึงชาราเนี่ยมีอยู่สองอย่างคืออวิจิชารากับสวิจิชาราอวิจิชาราก็คือชาราที่ไม่มีร่องรอย สวีจิชราก็ชรามีร่องรอยอย่างชราสองอย่างนั้นความคร่ำคล้าของแก้วมณีทองเงินแก้วประพานดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้นนี้ชื่อว่าอาวีจิชราเพราะความเป็นความพิเศษแห่งสีเป็นต้นในระหว่างในระหว่างเป็นของที่รู้ได้โดยยาก เหมือนความแปลกแห่งสีเป็นต้นของสัตว์มีชีวิตในพวกมันทกะทศก็คือสิบปีแรกเป็นต้นเนี่ยนะและสิ่งไม่มีชีวิตในพวกที่เป็นดอกไม้ผลไม้ใบอ่อนเป็นต้นมีอธิบายว่าเป็นนิรันตะ ช, ชราคือเป็นชราที่ไม่มีระหวาง แต่ชาราคือความคล่ำคล้านในสิ่งอื่นๆจากวัตถุมีแก้วมณีเป็นต้นชื่อว่าสวีจิตชาราเพราะความแปลกแข่งสีเป็นต้นในระหว่างในระหว่างเป็นสิ่งที่รู้ได้ง่ายก็ชาราเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างใช่ไหมแบบเห็นง่ายๆกับเห็นยากมากพวกที่เห็นยากเนี่ยเช่นแก้วมณีเนี่ยนะถ้าหลอดไฟเนี่ยนะดูมันสว่างนะถ้าบางทีใช้จนลืมใช่ไหม แต่ว่าในที่สุดมันก็มันก็เสียหายจนได้นะหรือพวกพลอยพวกเพชรพวกเครื่องประดับทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันก็มีความชราอยู่แต่ว่าดูเหมือนไม่ชราดูเหมือนไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงดูเหมือนก็ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหรก็เหมือนเดิมไปหมด ทองก็เหมือนกันนะโอ้ของเราเหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิ ม, มอย่างเงี้นนะแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าเราก็ไม่ค่อยยอมรับใช่ไหมยอมรับ เ, เสื้อผ้านะอีกระยะหนึ่งก็คิดเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยฉะนั้นพวกกลุ่มเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้บางอย่างนี่ก็ความชรามันมีให้เห็นชัดมากนนะมาดู ชาาที่ปรากฏสวีจิชาาเนี่ยนะชาาที่มีร่องรอยด้วยอำนาจแห่งอุปปาทินนกกับอนุปาทินนกก็คือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีใจครองกับสิ่งที่ไม่มีใจครองหรือสิ่งที่เป็นผลของกรรมกับไม่ใช่ผลของกรรมจริงอยู่ขึ้นชื่อว่าฟันน้ำนมของพวกเด็กๆนะย่อมเกิดขึ้นก่อนทีเดียวฟันเหล่านั้นไม่ถาวรแต่เมื่อฟันเหล่านั้นหักไปแล้วฟันก็จะตั้งขึ้นอีก ฟันแท้เหล่านั้นครั้งแรกเป็นสีขาวย่อมเป็นสีดำในเวลาถูกลมคือชารากระทบอันนี้พูดถึงฟันนะนะระยะแรกมันก็มันก็ดูขาวดีตอนหลังก็ถอนนะใครไม่เคยถอนออถอนฟันน้ำนมม้างมีไหมคงไม่มีนะถอนเอาไว้ลอ อ, อลอกอเล่นนะนะฟันลอเหมอกนอีกฝ่ายยิ้มมาก่อนลอเหมือนกันนั่นแหละ พางทีก็บางทีก็หักเล่นอ่ะนะของมาเนี่ชอบเอาหักฟันเล่นไอ้ฟันฟันน้ำนมอ่ะ น, นะสมัยเด็กๆไงเดีวกนะ็หลอตรงนั้นเดี๋ยวก็หลอตรงนี้นนทีนี้ฟันพอฟันตัวหลังมาเนี่ยนะมันก็มีขึ้นแต่จริงก็พูดเรื่องฟันมากไม่ได้เดี๋ยวอายหมอฟันหมอยุพินมาเล่าเรื่องฟันหน่อยว่ามันเป็นไป ย, ยังไงบ้างมันชราอ ย, ย่างไงฟันเนี่ย แล้วก็มันเพราะชรากับโรคเนี่ยเป็นของคู่กั น, น, น, น, นคงไม่ต้องตัวนะเพราะอยู่กับฟันอยู่แล้ว <S <S <S ถ้าทำปริญญาในฟันมาก่อนไม่น่ามีปัญหาเลยฟันนี่ก็ฮัลโห ล, โหล ต, ตอนแรกตอนแรกสีสีของฟันจะขาวนะฮนะ แล้วก็ฮัโฮัลโหลตอนแรกก็ใหม่ๆที่ฟันถาวรขึ้น <c oughs> ก็จะขาวหน่อยขาวแล้วก็ไอตรงขอบมันก็เป็นขยักขยกชัดเจนแต่พอใช้ใช้ไปมันก็สึกไปราบเรียบไป แล้วก็สีมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็สีสีเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสั้นลงสั้นลงอะแล้วก็ในที่สุดก็มันถ้าเจ้าของไม่ยอมดูแลมากเท่าที่ควรมันก็จะโยกไปโยกไปแล้วก็หลุดหายไปเลยลก็เป็นความความชะลาของฟัน แล้วก็ยิงย่งๆถ้ามีอของแปลกปลอมเข้ามาอย่างหินปูนี้ก็ยิ่งยิ่งเร็วขึ้นนะฟันก็จะไม่ก็รักเจ้าของเพราะเจ้าของไม่รักฟันฟันก็เลยไม่รักเจ้าของมันก็จะรีบไปก่อนอย่างอื่น ท, ท, ทั้งๆที่มาทีหลังอ่ะ เป็นเป็นของที่มาทีหลังแท้แท้ยังยังไปก่อนเจ้าของมเป็นแล้วตอนหลังก็ฟันก็จะสีเหลืองลงเหลืองล ง, ลงดำดาลงด้วยถ้าถ้าถืว่าเกิดมีปัจจัยอย่างอื่นอย่างเช่นสูบุรีหรือว่าอมอะไรพวกที่มันติดฟันนะคะพวกยาอมทั้งหลายเนะี่ยมันก็จะทำให้ดูเปดูแปลกจาก ตอนแรกๆ ร, รวมทั้งพวกฟันผุอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะก็เป็นถ้าไม่รักษาก็เป็นหนองเป็นบวมเป็นเหนือกเป็นสีไปลามไปลามไป <c oughs> มีโลกฟันมากมายขอบพระคุณค่ะอุตุชโรปนี่มีอิทธิพลมากเลยนะอย่างฟอนตกนี่ก็อุตุชโรืนะ อาโปทาตภายนอกกำเริบขนาดอาโปทาตภายนอกนะบางช่วงก็น้ำท่วมนองอีกช่วงหนึ่งก็จะหาน้ำดื่มก็ยังไม่ได้เลยแล้วอาโปทาตภายในมันจะไม่กำเริบบ้างเลยหรือเดี๋ยวก็เหงื่อท่วมเลยนะเดี๋ยวก็กระหายน้ำมากเลยอ่ะ <c oughs> ย้อนกลับมาดูเรื่อง ฟันอีกครั้งหนึ่งนะว่าฟันเนี่ยมันเป็นทุกขาริยสัตเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีทุกโทมนัสกับฟันไม่ใช่น้อยอนะความเจ็บปวดที่เรียกว่าปวดฟันเนี่ยปวดมากเลยใช่ไหมใครเคยปวดฟันนอนไม่หลับมั้งปวดจนนอนไม่หลับอาจารย์แดงยกมือแสดงว่าเป็นเหมือนกันอาจารแกสอนเคยเป็นไหมเอาเรื่องงั้นนะขนาดบอกว่าฟันเขาดีมากอมเท็กซี่อ่ะท็อปซี่ก็ยังไม่เป็นอะไรอ่ะนะ อันนี้มันไม่ค่อยยอมนแะล้มนั่นแหละเมื่อก่อนมันเตรียมรอไงมันเลยได้เป็นในตอนหลังๆก็มีหลายท่านนะเป็นจนร้องไห้ก็มีเป็นร้องไห้ถ้ายิ่งเป็นชาวชนบทด้วยมันห่างห่างหมอฟันห่างอะไรใช่ไหมมันก็ปวดอยู่นอนกว่าจะตัดสินใจว่าจะไปไปถอนหรือว่าไม่ถอนใช่ไหมเพราะว่า ผมชาวชาวนบอทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ไม่ปวดจนทนไม่ได้จริงๆเขาจะไม่ไม่ไปปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์อะไรสักอย่างเพราะว่ารายรายจ่ายของเขามีจํากัดนั่นแหละจำกัดมากเลยแหละดังการที่เขาขยับตัวแต่ละครั้งเนี่ยไปทํากิจกรรมใดที่ต้องใช้เงินใช้ทองเนี่ยหมายถึงการที่เขาต้องกู้หนี้ยืมสินละแหละเพราะเขาไม่ไม่มีเก็บรายได้ที่เก็บประจํา ถ้ายิ่งกลุ่มสังคมชาวนาด้วยนะเขามีเพียงข้าวเท่านั้นเองที่เป็นทรัพย์สินของเขามีเพียงข้าวที่เรียกว่าไม่ต้องซื้อนะส่วนที่เหลือเนี่ยเขาต้องไปหาทุกวันแล้วก็ในบางกลุ่มบางชนบทแม้กระทั้งแม้แต่ผักก็ไม่ยอมปลูกเอาไว้ด้วยนะบางแห่งก็ไปเที่ยวหาเก็บผักป่าเนี่ยมามาบริโภคค่อยๆนั้นเขานี่แต่ละมื้อเนี่ยเขาจะต้องไปสแสวงหาทุกมื้อเลยเตือนเช้ามานี่ไปหา แต่ดชาออมานี่ไปหาอย่างหมบ้านที่อาตมาเกิดเนี่ยสมัยสมัยที่เพิ่งมามีถนนไม่กี่ปีนเองมีไฟฟ้ามีถนนเนี่ยปีสามศูนย์นี่เองก่อนหน้านี้มาก็เป็นโหทางเกวียนอะ่ะฝนตลกไปหมดนะนะก็คื อ, คอถ้ารถวิ่งเข้าเนี่ยต้องวิ่งไปดูรถอะ่ะมันเป็นสิ่งอาัศาจรรย์มากเลยรถเนี่ย มีรถวิ่งเข้าไปคันหนึ่งโอ้วิ่งไปเลยอะ่ะไปดูโ อ, โอ้รถเนี่ยมันดีเหมือนกันมันทีนี้เขาก็ไม่มีไอรถกับข้าวอะไรวิ่งผ่านหรอกมันแต่ละเมือเนี่ยก็ต้องไปเที่ยวเก็บมันเช้ามาเขาจะคิดอวันนี้แกงอะไรก็ไปเที่ยวเก็บใบกะเพราไปหาเด็ดเอายอดตามตรงนู้นตรงนี้มาก็ผสมปนเปกันไปกว่าจะได้บริโภค มันเวลาค้ามีโรคภยัยไข้เจ็บอะไรโดยมากก็ใช้ยาแบบสมุนไพรภูมิปัญญาของท้องถิ่นเท่าที่มันมีอยู่มั้นถ้าหากว่ามันเป็นมากมันแก้ไขไม่ได้นั่นแหละเขาจึงไปหาหมอนไปถึงก็หมอบางทีหมอก็ดุให้เส อ, อีกว่าทําไมมาช้าจังอย่งนั้นน่าจะมาตั้งนานแล้ว <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาก็ไม่ค่อยอยากไปหาหมอเท่าไหร่ <c oughs> เขาก็กลัวอยู่แล้วนะไปดุเขาเส อ, อ, อีก <c oughs> เขาก็เลยแตกกันใหญ่เลยกันนี้ ในถ้าอย่างชาวชนบทมารักษาเนี่ยนะมันค่อนข้างยากมากเพราะทุกในร่างกายของเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละนี่มาดูผมบ้างนะผมเนี่ยครั้งแรกย่อมเป็นสีแดงตอนหลังก็เริ่มดำขึ้นดำขึ้นหนังหนักเข้าหมดเม็ดสีก็เลยขาวเลยกันนี่ ผมนี่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะส่วนผิวย่อมมีสีแดงเมื่อบุคคลกำลังเจริญพอเจริญขึ้นก็ส่วนที่ขาวก็จะเป็นถ้าคนขาวนะผิวก็จะขาวส่วนบุคคลที่ดำก็จะเป็นสีดำแต่เมื่อถูกลมคือชรากระทบแล้วผิวนั่นแหละจะมีรอยย่ น, น, นนะก็ที่ที่มันเคยดีนะมันมันย่นได้นะมาสังเกตดูบางทีนะเห็นเออรอยย่น แบบมันค่อยๆ ย, ย่นก่อนใช่ถ้าอายุมากเนี่ยรอยย่นมันจะใหญ่มากถ้าตอนตอนายุไม่มากนะก็มันก็เริ่มย่นให้เห็นนหะแต่ถ้าอายุเจ็ดแปดสิบเก้าสิบถ้ายิ่งพวกตากแดดด้วยนะโอ้ริ้วมันลึกไปเลยอ่ะเนี่ยริ้วรอยของความชราเนี่ยลึกไปมากถ้าสั่งสมความรู้อริยศาสตร์มานะโอ้นั่นทุกข์สัตย์เกิดขึ้นแล้วนะเห็นทุกข์สัตย์เลยนะเพราะถ้า เห็นความชราเห็นความเปลี่ยนของผมเห็นความเปลี่ยนของเล็บเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเป็นต้นเนี่ยก็สิ่งที่เราควรคิดบ่อยๆเนี่ยคิดน้อมไปหาอริยสัจยามนิดนึกกี่ครั้งแล้ววันนี้อริยสัจอ๋อเพิ่งมาได้ยินเนี่ยนะวันนี้นะโอแล้วเมื่อไรจะบรรลุเนี่ยนึกยังไม่ค่อยจะได้นึกเลยนะคุณชูศีวังว่าไม่ตอบอย่างนี้ใช่ไหม นึกเหมือนกั น, อ, กนอ๋อมากกว่า น, นี้อีกหน่อยนึ่แม่ครูตอนหวีผมนี่คิดยังไงมัน ไ, ไ, ได้คิดเลยเนาะอ๋อวันนั้นไม่ได้มาฟังเรื่องนางนางอัมพะปาลีเป็นอย่างงี้แหละขาดเรียนไปวันหนึ่งอย่างนี้แหละหวีผมเมื่อไร่เมื่อก่อนนะมันสวยกว่านี้เยอะเนี่ยนะตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่า ง, ง, า น, างนั้นแล้วประาณั้นก็ คือซึ่งเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นของที่ชราอยู่แล้วเป็นปกติใช่ไหมแต่เนื่องอัธยาศัยเราไม่เคยสังสมอริยศาสตร์มามันก็เลยมองไม่เห็นสัจจะซึ่งถ้าสังสมความรู้อริยศาสตร์เนี่ยไปที่ไหนก็มองเห็นอริยศาสตร์หมดอ่ะเพราะอะไรไม่เป็นทุกขสัตย์ไม่มีหรอกมันก็ใส่ใจมณสิการว่านั่นคือทุกขสัตย์นะนั่นคือทุกขสัตย์คิดอย่างนี้ก็ยังดีนะถ้ามันไม่ได้ลึกซึ้งกว่านั้นอะ่ะ ให้ใส่ใจถึงคาว่าทุกข์กษัตริย์ก็ยังดีสาธยายเอาไว้เลยเนี่ยเกสาเกสาสมุ ท, ทยัยเกสานิโรธเกสานิโรธาคาขไม่มีปฏิปทานี่นนประปลาลบผิวหนังก็ตะโจตะโจสมุ ท, ทยัยแต่โจนิโรธแต่โจนิโรธาคาขไม่มีปฏิปทาก็คิดอย่างนี้ให้มันให้มันมีเขา้ามีเงื่อนบ้างว่า ม, มีแววจะบรรลุอยู่เหมือนกันแต่ถ้าไม่นึกเลยเนะียังนึกไม่ออกมันจะบรรลุอะไรนาะเนี่ยนะ ที่โรงแรมโรงแรมบุษยไทยธานีเกิดของอาจาร์เยสุดารายการตอนทีวีตอนเช้าครับในในายอะไรนะาเดี๋ยวก่อนมีชัยคะในมีชัยผมเห็นอีกทีมดไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยครับแห็นน้อยมากเลยใส่ใจอริยสัจเลยผมก็ที่คนนายดู บอกนีนะผมก็ชิ้คุณนายดูนี่ดูิโอ้มเปลี่ยนใจขนาดนี้เลยกขาบอกใจว่าเ้าเ ล, ลยเราเหมือกันเนเะภาษาทุกคุณนายคุณกันมกันเลยคุณนายประกาศอริยสัจให้ฟังเลยนะนอัจฉะิยธรรมมาปหิทธาธรรมมาพายนอกฉันใดภายในก็ฉันนั้นนั่นเลยงนั้นนะซึ่งถ้าต้องแบบ นานๆเจอกันทีนะจึงจะเห็นชัดแต่ว่าไอ้ถ้ามันเจอกันทุกวันทุกวันนะอย่างเนี้ยของมานะมาอยู่เชียงใหม่นะเขาไม่ค่อยมีใครทักว่าอ้วนหรอกเนี่ยในห้องเรียนเราเนี่ยแทบไม่มีใครทักหรอกแต่พอไปอีกพักหนึ่งอีกที่หนึ่งเลยนะบอกโอ้ทำไมนั่นอ้วนจังว่งั้นโอ้ถูกทักคํานี้มาบ่อยก็เอ๊ะชักอายอยู่กัมอนนะตรวจไขมันก็ไขมันก็นนนเพิ่มอีกยังไง เนี่ยทาให้เห็นว่าโอมันความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยนะถ้าถ้าเกิดห่างระยะหนึ่งนะถ้ามันลืมความเหมือนกับว่าเหมือนเดิมเมื่อวานคือไอความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้ามันเปลี่ยนแบบอีกพักหนึ่งเราเห็นเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันนั้นที่ชัดเจนมาก อย่างสมมติว่าผมหงอกนะถ้ามันค่อยๆหงอกทีละเส้นสองเส้นเพิ่มไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมันชราอะไรมากมายนะมั น, มนค่อยๆหงอกอะนะแต่ถ้าสิบปีผ่านไปมาเจอขาวโพลนไปหมดเลยนะเขานี้บอกโอ้ใช่แล้วนางพยาผมขาวเลยะนะแต่ว่าสมัยนี้มันดีใช่ไหมมีการย้อมมีการอะไรเนี่ยถ้า แ, แดงขาวหมดเลยจะเป็นยังไงนะ ดูไม่ได้นะไม่ปล่อยให้ขาวนะคุณบุญมีเนาะ <c oughs> ยอมก็ได้ทำไมเด็กๆฟังบ่อยย้าย้อมผมดำนกน้อยอะไรเงี้ยไหมก็ได้ยินแต่ตรงนั้นแหละ <c oughs> นั่นไงทนไม่ได้ที่มันขาว ทั้งบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ผู้ชายก็เหมือนกันบางคนก็ทนได้บางคนก็ทนไม่ได้เนี่ยนะ ย, ยิ่งผู้ชายบางคนยิ่งทนไม่ได้เลยที่จะต้องมันเข่าขึ้นเนี่ยนะคุณมณีทนได้ไหมได้เดี๋ยวเดือนหน้าจะมาดูใหม่เห็นผู้หญงคนนึงอายุเจ็ดสิบแก็ย่อเนี่ยเธออายุสาไปเลยเอามากอ๋อ วิปลาสขึ้นก็เลยเอามากนันนะแทนที่จะปาราอริยสัตว์มันก็เป็นอย่างนี้นะ พ, พันเกศาเนี่ยถ้ามันสังสมอัธยาศัยการเจริญกายยคตาสติเอาไว้มากๆเนี่ยนะเมื่อเห็นผมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ใส่ใจถึงสัจจะได้แล้วหรือเห็นขนที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะก็ใส่ใจถึงสัจจะได้เลย และอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยหนวดเครามันขาไปหมดเลยนะแล้วก็หนวดเคราเหล่านี้ก็เห็นประกาศถึงความเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยงอกถึงคิ้วะนะคิ้วยังงอกเลยคิ้วยังเปลี่ยนสีขาวบางคนนะี่ขนจมูกก็ขาวด้วยนะเป็นเรว่าทางโลกเ็าเรียกว่าเม็ดสีมันน้อยไปใช่ไหมเซลสร้างเม็ดสีมันลดลงมันก็เลยขาวขึ้น แต่นี้ก็ทางธรรมะเราก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานาะส่วนผิวก็เหมือนกันนะถ้าสังสมไอ้ตะโจตะโจสมูไทยตะโจนีโร่ตะโจนิโรธทาขาม่มีปฏิปทาสังเกตดูนะว่าผิวของเราตอนเด็กๆ ก, ก็อย่างหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็อย่างหนึ่งอายุมาถึงวันนี้ก็อย่างหนึ่งนะถ้าอีกห้าสิบปีข้างหน้าเลยเนี่ยคุณไพเรนผิวจะเป็นยังไงโอ้ยร้อยร้อยสิบปีนะตอนนั้นนะนะ ตอนนั้นอายุร้อยสิบปีเนี่ยนะจะเป็นยังไงนาะเนี่ยนะกูมั่นไหมอีกร้อยอีกห้าสิบปีไม่เหลือแล้วนะโอยห้าสิบปีตอนนั้นเนี่ยเป็นหนุ่มใหญ่แล้วเนาะพบใหม่แล้วนะหนุ่มใหญ่ไปแล้วก็มันสังสมอาการสามสิบสองไวมากนะ ซึ่งโบราณเราก็ชอบสวดนะอธิมาสมิงกาเยเกสาโลมานคาทันตาตะโจมังสังเราก็เอาเป็นภาษาไทยไว้เลยนะสาธยายบ้างก็ดีปรารถภายในก็สาธยายอาการ32มสนะผมขนเล็บมันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพี่ยนในกระดูกหัวใจไตทังปืดม้าปอดต้นตอกรว่าไปเรื่อยเนี่ยเห็นทายนอกกันนะแทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมที่ให้มันอกุศลวิตกเกิดก็สาธยาอาการ32ไปเลยนะ ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเราเริ่มมนสัสการโดยสีโดยสังขานโดยกลิ่นโดยโอกาสโดยประเชษตเนี่ยในถ้ามนสัสการในแง่าศาสตว์จะก็จะเห็นชาติพิทุกขาการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นการเกิดขึ้นแห่งทุกเนาะแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยถามว่าเหน็ดเหนื่อยในการดูแลผมเนี่ยขนาดไหนเหนื่อยมากหมในการดูแลผม เหนื่อยไหมในการดูแลหนวดเครานะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าฝรั่งคนหนึ่งบอกผมไม่โกนหนวดเพราะว่าผมมีไฟอยู่ที่เม็ดหนึ่งโกนหนึ่งครั้งหมายถึงเลือดหนึ่งทีผมก็เลยไม่โกนเหมือนกันจริงก็อยากโกนเหมือนกันแต่ว่าโกนแล้วมันเลือดอะโกนแล้วมันก็บาดไอ้ไฟอันนั้นน่ะนะเลือดมันก็ไหลออกทุกครั้งก็เลยไม่ยอมโกนหนวดนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนวดเรื่องเครานี่ก็ดูแลกันลำบากนั่นนะ นะลองถามดูที่ครับว่าประสบการณ์นะการทำผมผู้หญิงนะฮ ะ, ะทั้งสะทั้งทั้งแต่งเต่งเรียบร้อยนี่นะใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วเสียเงินเท่าไหร่ไหนลองใครอลองให้ข้อมูลหน่อยดิให้ข้อมูลเรื่องผมเป็นทุกขาริยศัตว์หน่อยใครเสนอมามบ้างให้ทํามทานหน่อยคุณนายเอาไหม ให้ประกาศเรื่องผมหน่อยว่าผมเนี่ยจะต้องดูแลรักษายัางไงออยุ่งมากเลยนะไปสระผมมาทีไรก็มีปัญหากันมาทุกที <c oughs> สระไม่สะอาดนี่นะสระทิงถ้าจัดใช้เวลาอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งผ ม, มนะนะ <c oughs> แล้วไปรออีกทักครึ่งชั่วโมงได้เข <c oughs> าไปรอด้วยนะเขาไม่จะ่ไปนึงก็กษาได้เลยนะสร ะ, ะชั่วโมงแล้วก็ ผลได้ไม่นานแล้วครับอย่างนี้ก็วันนองวันมั้งครับเอาอีกอะเอาอยู่แล้วครับไปใหม่แล้วเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยครับเนี่ยดีแล้วรู้แล้วจะลําบากใจเสียเงินคงจะทีหลายตังเงินนะเดี๋ยวโทมันัดจอาศัยกินเห็นเห็นงามก็เห็นผมงามก็อภิชาใช่ไหมนึกเสียตังก็โทรมนัด อภิชาตโรมานัตเนี่แหละไม่เจริญกายานุปัสนาทั้งดัดโดยเฉพาะคนที่ออกสังคมบ่อยๆเนี่ยโอ้มันเป็นภาระจริงๆนะครับพวกที่ต้องออกสังคมพวกพวกรุงเทพเนี่ยนะฮะยิ่งตอนมีอายุถ้าจะต้องต้องทำบ่อยมากขึ้นตอนทกสาวก็ทำไม่เท่าไหร่ปัดไ้ปัดมาก็างามอยู่แล้วพูดพู้แม่นึกถึงยมรุนเลย ก่อนผมยาวดสลวยตอนนี้ตัดจะเที่ยนเลยแล้วยอมอะไราสักอย่างนะผมตันๆขาวๆ น, นั่นแหละพวกเขาก็เลยแซวบอกอมาเรียนธรรมะทำไมปล่อยตัวขนาดนี้วังนะ <c oughs>